เป็นอย่าแล้วเขาเองนั่นเองครับที่มาเล่าฟังบอกว่าเวลาล่วงไปเป็นเดือนเขาเริ่มเอะใจในอาการผิดปกติขอูกกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรเนี่ยเขาเริเนะ่ม เ, เ, เอะใจมาผมพอพอรู้ได้ว่าเกิดความคิดพลาดเป็นอะใช้การขู่ไม่น่าจะได้ผนต้องไปบอกว่าทําไมคุณไม่พูดกับลูกวา่าลูกเรียนสิ่งไม่ดีลูกจะช่วยเด็กการนี้ได้อย่างไร ซึ่งมันเป็นดีกว่าหลายเท่ามันเป็นในแงบ่บวกนเพิ่มพูนความเมตตากรุณานเลยผดดู้ใดแทนที่จะแค่ก็ถึงบาง อ, อ้อว่าโอ้ผมทำาิจริงๆเ็กใช้วิธีปลูก้มีแรงนวัคหแบบลกลัวไม่มีอะไรนอกากัวเท่าความกลัวพอกลัวแล้วมั น, มน เกิดอาการวอดวายีปัญญาถูกทำลายไปแล้วแต่เพราะว่ากระวนการหมางกบาบน่าจะมีคำตอบแม้จะเป็นนิยายนีน้แต่ว่ามันก็ค้นอมาจากความจริงที่สวีผู้แต่งดประสบที่จเห็นว่าววช น, มนเมกัตายก็ตายกันซึ่งเด็กๆอนอาจจะผู้ใหญ่อาจจะพิจารณ ว, ว่าเด็กเอาหย่งองเพราะว่าไม่เป็นอย่าง คือคอผู้อ่านก็คงเข้าใจได้เป็นความรู้สึกภายในของของนักบไม่ใช่เป็นไปรบกเขามีหลายเรื่องที่มมาหมากับสร้างปมเป็นฉนาอัป ม, มากันทีแสดงความกังวลกจและหมาพาไปดูเพราะาตอนออรชุนตัวเอกตัวหนึ่งของเรื่องไปไปยิงธนูชิงเทราปฏี สาวสวยปนละอมตัวเป็นความที่จริงเป็นกระสับพี่น้องห้าคนนั้นก็รับใครกันดีกันเพอเมื่อได้เทราปฏีสาวสวยนะแล้วก็กลับมาให้แม่ขาะนั้นแม่ก็ลังปรุงอาหารในครัวพอชุนตะโกนบอกแม่แม่มาดูอะไรวันนี้พวกคมมีของฝากที่งดงามทิ้นหนึ่งให้แม่แม่ก็ทูลว่าถ้างั้นเจ้าจึงแบ่งกันนะ้นละเท่าๆกันทั้งห้าคน นนีว้วาดนำอินเดียอว่าวาจางแม่นี่เปลี่ยนไม่ได้ศักดิ์ิ์เรื่องเรื่องนการว่าเทรัมีต้องเป็นภรรยาของพี่น้องนะนท่านคนซึ่งหมาตวองการตีสดแสดงความกังวลขับแย้งว่าทำรากฐานพื้นฐานของอินเดียอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่อย่างเล็กน้อยนะที่ปมปริศนาผู้แต่งจงใจอะไรต้องการสดแสดงออกชื่ออะไร แปลกจริอย่างน้อยทำให้เรางงกันแล้วกันเราคู่แต่งจริงนั่งหัวลอมีครับมี้วปก็มีคนแปลกเราท่อนที่สำคัญที่สุดคือพระวัตถีสาแพกระจายนโลกนี้ศูนย์พระวัติิกาลายในรลกนาเป็นเป็นในขบอดนึงในในนั้นยอดสุดตอนตอนตอนสงครามนะครับ สงครมองพี่น้องชุมนุรชานแสดงความทอดแทนครับเพราะก็ศัตรูนั่นคือญาติพี่น้องที่มุกดาหารอาศัยพุทธิชนะให้กำลับบงใจอัธิบายเรื่องอาตมาลไม่เกิดไม่แก่ไม่เช็บไม่ตายว่าอมที่เรีาอาตมาว่าโอมัพิลายอาตมาโอมจะมีความหมายอยู่ประมาณ2 4มส่าหม า, ย, า, มมายหลัก ที่หนึงคือวิชวรูปคือค o สมิตบอดี้ทั้งหันเนี้ยเป็นเป็นรูปของจักรวาลจักรวาล่ดวงเดินดวงดาวดทุกสิ่งที่ปรากฏ น, นี่เป็ น, ปนวิชวรูปคือรูปที่จักรวาลสร้างการที่สองเจชสารูปกายเนื้อเอสโตโนการที่สามาอาร ม, ม, ม์จไม่เปลนรัชญาปีชาญา ข้อก้อข้อแกคือการอันตรธรานของสรรพสิ่งความหมายของโอมรวมอยู่ในสี่ข้อนี้นะนักปลาดอัอธิบายว่าสังเนียงโอมเป็นสัเนียงแรกของนีฝ่ายพุทธลอกเรียนนะครับปรับแปลงมาเป็นปะคูมาปาปโดยแรกคืออรหรันตุตมะสังโฆสงฆ์ตู้รเสิอุตมะธ ร, รมโมนะธรรมะร ม, ม, มหาสังโฆ ค, คือสองผู้ยิงแบบ่งใหญฝายพุทธรอกเรียนแบบเขายืมไม่ใช่เราเขายืมมีการหยิบยืมกันระหว่างชาวพุทธกับชาวฮินดูนะครับพุทธกับฮินดูนี่เหมือนพี่กับ น, น้องใกลๆกันยืมไปยืมมาประวัติของพระพุทธเจ้าคล้ายกับประวัติของเทลามแล้วก็ไม่รู้ใครยืมใคร ตะกอนนักอาา่ามวรรณคดีเขาจะพระรามไม่มีจริงนะทีนี้จะไปที่เดียวเพราะว่าที่เมืองโยธยาเนะี่ยพระรามคือกษัตริยองค์หนึ่งในประวัติตาสตทรงคุณธรรมแล้วก็เป็นเลิศในทางมนุษยธรรมเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของน้องเป็นพ่อที่ดีสุดของลูกเป็นสามีที่ดีของสัญญาพระรามจำทานนะั้นเป็นเลิศนะครับ้น ในสุดฤาษีที่วันวิจิเนก็เอาประวัตของเรานะร้อยกรอง้เป็นการอวตารของพระเจ้าแล้วก็เติมลิงเติมหมีเมัม <c oughs> มาร น, นนะะแล้วก็เติมยักษ์ไปด้วยแต่นทักษดบางคนคิดว่าเป็นร่องรอยของการต่อสู้ระหว่างชนพื้นเมืองอารยันกับชาวพิเชนแต่ว่าเป็นวิธีมองแบบตอนตก ตอนที่พะทเจ้าไปอยู่กับพุกดาบทอาดานาบทนไปแล้วก็ออกจากตรงนั้นไปสบายหาทำานเนองตรงวันาดเออช่วงที่พระพุเจ้าไปศึกษาศึกษาเรื่องเรื่องไม่ใช่ทำไม่ใช่ทมาแค่นั้นการสบายหาตัวเองกับอุทกพกดาบาดาน้ก็ก็ออกไปสบาหาด้วยตัวเอง่ คิดเล่นนะครับที่จริงพุทธวัตรไม่ประสงค์ให้เราแตกละเหรียดมากมายนะเพราะแตกละเหรียดมันเป็นประวัติของบุคคลในทางหอดสามผัสซึ่งเป็นไปได้ที่เราจะสูญเสียสัมทาวนั่นเรื่องเพิ่มฝันๆบ้างดี้แต่แต่คิดเล่นได้ครับคิดเล่นว่าตามหนังสือพุทรวัตรที่ไปรเราะที่เขียนโดยอัโควพออพันเศสแล้ว กาออกบทของพระเจ้านั้นท่านชี้แจงว่าวันหนึ่งขนณะเจ้าชายกัลมาเพอเิดเพลินการเล่นซึ่งภาพยนตเรื่อง Little Buddha ออมาเป็นแบบต้นแบบนี่ทนใดนั้นได้ยินเสียงนักร้องนกร้องหญิรองอร้องเพลงแววมาในเนื้อเพลงก็บอกว่ายังมีพันดินเพิ่งเลิกก่านนี้หรือเจ้าชายมังเพลินในโลกเต็ที่ น, นไม่เคยเฉลยวต า, ากันต้อง พอยินเลงนั้นรู้สึกกระทบกระทบส่วนลึกก็ในโลกมีเท่านี้ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ท่านยังไม่รู้คนดาความสุขในโลกท่ารู้แล้วทิศาสตร์ความุเจ้าคนนายคนนนมีประสบการณ์แต่ยังมีคนมาร้องเพลงให้ด้ยินยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกไม่ใช่เบื่อหน่ายในอ่าไม่ไม่เบื่อหน่ายครับก็ผมว่าความเบื่อหน่ายเป็นส่วนหนึ่งแต่ง คจะรู้แผด น, นแผดินไม่เิกควน้แผ่นดินไม่ได้หมายถึงดินนะหมายถึงโลกที่ดีกว่านี้พอที่ยินในนี่แผนการในการออกที่จะออกโบสถก็เกิดขึ้นในใจเท้นซึ่งพระวิดาทราบข่าวเขาก็เกิกระบวนการปิดล้อมปิดล้อมคือผูกพันให้มากที่สุดแต่งเ แ, แต่งแล้ว่ออบอกว่าแต่งแล้วนะ ทน้ตอนที่ท่านปล่าวออกจากพราชวังเยเป็นปัญหาทางด้านบราณคดีอยู่างหลักฐานสี่ลาจซาลึสนี่บอกว่าท่านไปชึ้งๆหน้าแล้วก็แถมทําพิธีลดน้ำต้นไม้ด้ยลินสลักบอกนะั้นลินสลักนั้นอายุเพียงสามรอยปีหลังพุทธกา ล, นะลเราจะมองข้ามไม่ได้พระเจ้ไปตรงๆไม่ได้หนีครับแล้วในรูปสลักทกยาเป็นรูปพระยาตมึงลองห้รองห้ โกรที่หน้าต่างนันความคิดของผู้ทีความรุ่นก่อนบอกว่ากับเดี๋ยวนี้ต่างกันเราบอกว่านี้ตอนดึกจึงฟังดูครับทำอะไรล้อๆๆชอบไม่น่าจะเป็นศาบสดาดรา่าทั้งอาโซโคดเล่าว่าคืนแรกของการออกบวดเมื่อถอดซ้อยถอดเครื่องประดับแขนหนิิมพาพาอให้งทำนะแล้ว ทานก็ไพักในอวสุ์ของสตรีนักบวชสตรีคนหนึ่งถ้าถ้าเป็นจริงอย่างนี้แสดงนักบวชสตีนั้นมีชื่อจนดึงดูดเจ้าชาให้ไปชนธนาอะไรแล้วก็ตอนที้ตนออกบวชนี่ประชาชนเข้าใจก็มีวัตรทำ ร, รองแล้วแล้วเพื่อร่วมสมัยท่านมีหลายองค์ที่เป็นนักบวชเป็นกษัตริย์ด้วยเนะเป็นพระมหาวีระ ขึ้นระคำจีพุทธเทรวาเรียกว่านิคนนิคนนาฏเป็นลูกกระสับเหมือนกันหนึ่งก็ออกบวชไล่ๆกันเลยการบวชของพระเจ้านั้นไม่ได้ไม่เพียงเป็นเรื่องปัเิเจชเจ้าชองค์หนึ่งแตเป็นเรื่องยุคสมัยเพราะความสุขงอมทางอารธรรมมาถึงจุดเพราะความันเจริญมากทางด้านมโนธรรมโดยเฉพาะเรื่องสมถะเรื่องอะไรนี้ก่อนหน้าพุทธการก็ปฏิบัติมาแล้วก็สองพันกวปีแล้วพุทธกาล า, ล, า, ล, าละนั้นยังดําเนินสายนั้นอยู่เรื่อย หลังนั้นมีศาลาจัดสำสิง่งในร้อนไม่สงบสงัดใช้เทคนิคการกําหนดลมปลานอะไรก็ตามใจเนี่ยนถะือเพ่งไฟเพ่งน้ําคือหลักก็คือทําจิตให้สงบนะครับแล้วเติมเตียมด้วยความหวังว่าความเชื่อและความหวังว่าถึงที่สุดแล้วก็จะความจริงขั้นสุดท้าพจะปรา ก, กเป็นความเชื่อเท่านั้นนะพระเจ้าก็ถูกคล้องํางด้วยความเชื่อนี้อยู่ก็ไปหาดาบทั้งสอง เรียพัฒนเตียมครูแล้วก็รู้ว่ามันมันเป็นทางตันนะแต่ท่านลาพึงว่าความสงบเช่นนี้ยังอ่าพาดอยู่อาภาพาดคือมันเปลี่ยนแปลงได้อีกแสดงไม่ใช่ของจริงไอ้ที่พ่อเรียนชอพูดเราไปทํามันเข้านะครับเป็นทําให้สงบพอเลิกทกําก็ไม่สงบเลยละมันมันไม่ใช่ของจริงเลยเจ้าชายไว้ดีนะไหวดีท่าน แต่ท่านก็ไม่มีคำตอบเองั่านเลยลอตอนรอนั้นก็ผมเชื่อว่าท่านไปทรมานคนหลังจากออกจาการาชรัชดาบทแล้วทรมานคนพระคำภีเล่าว่าท่านอดคุยาหารจนทั้งมาจากทีวีทึ่เป็นเทพธิดาบนสวรรค์ร้อนใจ <c oughs> ร้อนใจสงสารลูกครับ ลงลงมาอ้อนวอนให้เลิกไอ้นี้เป็นมิตรโรยีก็เป็นปากการะนมซึ่งเพิ่มรสชาติในคำพีศาสนาได้มากอย่าลังเกลนะแต่เราคยรกำหนดรู้ว่านี่เป็นเป็นรสชาติของวรรณกรรมพระโพยสัตว์คือผู้เจ้าสมัยเป็นเจ้า้ายก็อตอบโจมมารดาว่าแม่อย่ากลัวเลยนี่เป็นอุบายเท่านั้นคืออุบายของการอดขยาหารเพื่อ ให้โลกรับรู้ว่าท่านปฏิบัติทุกแนวทางแล้วเพื่อทําให้การตัดสิุกครั้งสุดท้ายพิใตตนโพสมบูรณ์แม่ก็เขาเ้าใจมันความว่าถ้าไม่ทําการโอดกระยาหารเดี๋ย ว, วนักบวชนิการอื่นมันจะติได้ว่าโอ้ ย, ยังไม่เคยลองนี่แต่ท่านทำให้หมดครบแทะทิงที่เป็นจริงน่าจะเป็นจริงก็คือก็คือว่า ตนทนออกบวชกับระาชวงศ์นั้นประชาชนคนยกไร้เข้าใจเพราะมีวัตรทำรองรับไปเข้าฌานก็ว่าทําลองรับมีคนเข้าใจคำว่าคนเข้าใจหมายว่าว่าถวายความเคารพให้สักการะให้อาหารให้การบูชาไปธรณีมณฑลก็มีวัตรทำรองรับนะมีนักบวชก็ปฏิบัติกันอยู่แต่พอท่านเริ่มชันอาหาร น, าาน้ำโชยานไม่มีใครรับเรื่อ คิดดูนะครับว่าน้าประทานท่นจะเป็นไงบ้างเหงาไหมผมว่าท่านเหงาเนะีคือไม่มีใครเข้าใจนี่เลยนะคนเดียวก็ไม่มีแม่นะักบวชห้าคนสุดท้ายก็หนีคิดถึงใจใจเรานะว่าการกระทําอันไดมาถึงที่สุดขึ้นมาเพื่อนหนีหมดนี่เอาเรื่องมาก <laughs> <laughs> งพระเจ้าคงคงเหงาประทยบ้างพนระาะท่านยังเป็นปุถุชนอยู่นะหมยความว่า ไม่มีใครสักคนเดียวนี้เข้าใจท่าได้เป็นการพรัตกออกนอกอานยธรรมแล้วบหการกินอาหารแล้ยังเป็นนัก บ, บวชผู้สอดหาร mm hmm. ที่เป็นไปได้ยางไงคนคงสงสารแล้วก็เราแน่ใจได้ประการหนึ่งเจ้าชายต้องมั่นใจในการทดลองชีวิตของท่านเย mm ่า hmm. งนั้นท่านบ้าแน่ผาว่า ใช่ไหมฮะถ้าผมมั่นใจแล้วก็ถึงแม้ไม่รู้จริงถึงที่สุดแต่ว่าทางทางนี้แน่นอนด้วยนแล้วก็ตัดสินใจกินอาหารแล้วท่เล่ามาในมุมวิวว่าร่างกายก็ปลกปล ก, ล ก, ลกล็เปื่อยจิตก็สติก็ อ, อ่อนดังนั้นไม่น่าจะใช่ทางถ้าเริ่มกินองค์ประกอบสําคัญสำคัญก็เริ่มฟื้นถูกฟื้นฟูขึ้นมาหลังจากถูกปรัดกร่อนโดยการทรมานต น, นที่ว่ตอนท้าแมน้านําทันเออ ในลันชลาท่านถุกทำให้เป็นปุกลายพืฐานใ ห, ให้เป็นอุปมาของวันท่านลอยถาดแต่จริงนางสุชาดาไม่มีตัวตวเนเลยอาจารย์รุ่นหลังก็ตั้งชื่อขึ้นแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาถวายหาแน้นแน่นอนพระเจ้าก็ลอยถาดจะลอยจริงอะไรนี่ในทางหลักศาสราผู้ลำบากเพราะปัจจุบันนี้แม่น้า ในลมชะลาเป็นซอยซอมาแรงนิหนึ่งไม่มีน้ำเลยนิดๆถทองท่านลอยถาดแล้วท่ทานถามจิตครับท่านถามว่าถ้าบารมีงท่านถึงที่เป็นพระเจ้าในวันนี้ขอให้อำนาจนอกเนือธรรมชาตินะไอนี่เปนข้สเกตเลยครับเรานักวิชาตไม่เชื่อเนาะนอกนอ ก, นอกธรรมชาติเขานิยามคำว่าธรรมชาติไปหมด คำถามเกิดขึ้นว่าการเข้าถึงธรรมชาติคือการบรรลุธรรมหรือไม่พเทียนไปเสษในขณะคำถามนี้ผมไปถามท่านอาจารย์ของโ ม, ม, ม, มหรือถึงไม่ถามนะครับก็แนวโน้งส่วนโมเป็นอย่างนั้นคือธรรมะคือธรรมชาติกดของธรรมชาติอะไรนะว่ากฤษีประการ น, น ะ, ะ้รนะคำถามมัน คำคำนี้ผมถอมกมเดียน่ยโมเดียนบอกไม่ค่เป็นเรื่องที่สุดของธรรมชาติคือธรรมชาติจะไถึงที่สุดมาตรงนั้นแลง้คำตอบของสองปราเนี่ยต่างกันนะตา่างกันทีเดียวนะอ่อันนี้เป็นข้อสนนิฐานเท่านั้นนะครับว่าเื่อพระพุทธเจ้าได้เลยเห็นลิมิต ทองลอยทวนกระแสซึ่งซึ่งผิดกฎธรรมชาตินะธรมชาติม mm ัน hmm. ต้องไหลในทางเดียวกันมีทวนกระแสเป็นไปผมเชื่อคงเป็นปริศนาธรรมมากกว่าที่ผู้สร้างประกรารน้ำวันนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นปริศนาลำทานที่ไหลในลำชลาง น, น่าจะเป็นลำทานอารมณ์ความคิดตนเองไหล ผ่านเรื่อยๆผ่านเรื่อยเนี้อแล้วหกปีที่โดนท่านแสวงหาเ้นานตามความคิดไปเรื่อยๆตามอารมณ์ไปเรื่อยๆเพา่งม่เอะใจว่าเพิ่งไม่เอะใจจท่านเกิดต้อยคำที่ว่ทวนกระแสกระแสอีนนี้คือกระแสความคิดผมสนิษารอย่างนั้นเ น, นาะพอู้สร้างประกอบนาเนี่ยถูกปิดสมอาขึ้นเพื่อให้ให้ผู้รู้ตอบ แล้วก็ตามหลักตามีีเล่าว่าผ่าทองทวนก็ทวนกระแสน้ำจะถึงต้นน้ำเลยนะ mm hmm. คือก่อนที่ความคิ้นจะโผล่มานะต้นน้ำาอยู่ตรงนีน้จะจมดิ่งสู่นาคทุกข บ, บาดานนะแล้วโดยทำเนียมการเขียนหนังสือข้างโบราณเนะี่ยพระคำพีศักดิ์สิทธิ์มักจะฝากกับพยานนาคไว้ที่ใต้บาดาล <c oughs> คือผมก็าใจมันทำเป็นเรื่องลึกซึ้งลึก ยึดอยู่ไปในในใ น, ในกระแสทางของอารมณ์อยล้วในสุดท่านจะเห็นปรากฏการนั้นความมั่นใจเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพูดภาษาจะตั้งง่ายแปลว่าพระเจ้าเห็นความคิดเลยก่อนหน้านั้นท่านท่านเข้าในความคิดเรื่อยๆครับอันนี้อาจจะงงตรงที่ว่าเราเราเองรู้สึกว่าเราก็ดูความคิดอยู่ยแต่ว่าเป็นเรามีสติ ด, ดูความคิดอยู่นะแต่โดยท้าพิงนี่เรา สติของเราอยู่ในความคิดเรามีสติเหมือนกันนะเพราะสตินีี้มันยังเป็นไม่เป็นไทยครับมันยังอยู่ภายใต้ความคิดคือเราคิดว่าเรากำลังมีสติความคิดมันเป็นพนะภพของความคิดนั้นการจะดึงออความสดใหม่มาตรงเหมือนตรงไม่ไม่มีการใช้จิตต้าใช้ความคิดอีกแล้วถ้าใช้ความคิดเป็นกลางความคิดถึงความคิดไป มันต้องเอ า, อาสิ่งที่มันสดใหม่และเลกลี้ยกล่าจากความคคือความรู้สึกตัวนะที่ลูกๆเนย็นๆนนั้นเลยทิ้งข้อเทียนได้เสน อ, อกลวิธีนี่สำคัญซึ่งผม้มีขุนเคยจะรู้สึก ร, รังเกียจผมเองก็เคยรัรงเกียการยกมือมันไม่ใช่การยกมือครับการเร้าควารู้สึกสด พอพอเรายกยานี้มันก็เย็นผู้ๆู้เสียวไปทั้งตัวน ะ, ะนี่เป็นอุบายที่สาคัญมากในการที่ดึงดึงออกกับคบของความคิดดึงตัวเรานะครับตัวเราตัวเราคือเฉาะสดสดเพรเป็นเป็นหดดมดอย่างนี้ครับทุกไลน์เราเปอย่างนั้นยกไปปฏิบัติไปสงสัยไปนึกบนไปนึกบน น, กบ น, นึกเบื่อไ้นะ ตวันหนึ่งผมผมเบื่อมากาปฏิบัติแล้วไม่ได้คนหลายปีแล้วมหาลัทธิเทียนกระบายท่านฟังว่าเบื่อมากทานมองยิมยมๆบอกก็เราปฏิบัติให้มันเบื่อนคีคือ <c oughs> <c oughs> เราจรู้เท่าไม่ทันป า, ากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเร า, าต้อจะตามใจตัวเองเราอยากได้สมาธิอยากได้ความสงบเราก็เรียกร้องเราไม่มีใครเฉลียวแต่ว่าปฏิบัติให้มันเบื่อ พอเบื่แล้วมันจะสำลักออกมาคนะ ร, รัพอเบื่อแล้วมันไม่ออกแล้วความคิดมันจะเริ่มผันเหทิศทางไปสู่ความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวซึ่งร้ายข้านั้นค่อยๆกลายเปสิ่งที่ล้ําค่างีละน้อยในะไม่มีอะไรดีของความรู้สึกตัวนะ พ, พูดอย่างนี้ฟังไว้นะครับว่าเรามักจะแสวงหาอะไรบางสิ่งในห้วงความคิดซึ่งไม่มีจริงคนระับเราคิดว่าน้าจะเปหนน่าจะเป็นนี้นะ อาการเช่นนี้เป็นความน่าเวทนาของมนุษย์นะครับที่ค้นหาความจริงในกามคิดซึ่งมันมันหลอกเราตอนนั้นเองครับความคิดพอลึกมือมันก็หายไแล้วมันมันเหมือนคนโบราณเขอุมาเหมือนอวิมานในอากาศลาสากคนทันว่คนทําเนี่มันเนรมิตรลาสากขึ้นในาอากาศพอมือแต้มันก็ดับป๊อกไปแล้ว ค, ความคิดก็เหมือนกันเนอะ พอรู้ตัเ ห, หายหัวไปไหนก็ไมแต่เวลามันมามันครอบมันจูโจมแล้วมันเป็นภพอะครับภบภาวะอ น, นะครความคิดมีภพของมันพอเผื้วนี่เดียวมันดูดเข้าไปในครของมันแล้วก็ไปมีสติอยู่ในความคิดอแล้วพอมีสติในความคิดก็คิดที่จะออกจากความคิดก็เลยหมุนอยู่ตรงน้หมุนไปหมุนมา การเริ่มต้นในการกรา็ของของอ้นนะครับหรือเหมือนดนต ร, รีเริ่มต้นในการดีบโยเลนพเพื่อจะให้คุ้นกับเสียงบริสุทธิ์ของดนตรีก่อนจะเติมรสชาติอื่นแตลิกมือมันเย็นๆแต่ถ้าถึงระดับที่มันเป็นเองนะครับดูทีวีอย่างมันเข้าไปมันหลุดเองคนระับตัวผู้ดูเป็นเพียงสักกี่พยาย เข้าแต่ตอนเข้าลืมฮะลืมตัวถเพราะายังไม่ลืมไม่เข้าคนระับท่านยังไม่เข้าไม่ได้ตอนลืมๆปุ๊บก็วันนี้เรื่องมันนะแล้วโดยกระบวนการของมันเองมันเหมือนกับสัตว์กินของพิษก็ไปมันข่ายมันรู้ทันทีคาดพอเราเจอตัวเข้าในพวกเราคิดถ้าความเบื่อ พระคือเรื่อนิพิทานมากพอมันจะคายออกทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการมันเองเราเป็นเพียงพยานรู้เห็นการเท่ากันหรอกตรงนี้ครับสําคัญมากพระพเจ้าข้ามไมลันกิลาเพราะท่านมั่นใจเลยครับท่านท่านรู้ความติดพลาดหกปีท่านที่สว่างาวอย่าง แหวาคบด้วยพบแหวนาเข้าในพกความเย็ดตลอดมาตั้งใต้ต้นโพนี่ต้อโพกัดทิศฐานเอาเลือดเอาเนื้อก็เป็นเป็นประกัน เ, เสพเษความทุกข์ก็เสพความทุกข์หรือเกล่าพิเสษหมายความว่าไม่ยอมรับความทุกข์มันเป็นไปนได้ยังไองไอันนี้นี่มีคนถามไมค ท, ทีก็คิดว่า จริงๆแล้วพระปณะพูดเนี่ยยอมรับทาทุกก็ได้ที่ทำมาก่อนเหมือกแต่ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ทําไปทั้งหมดเพื่อที่จะให้มันคนจับทุกข์นัก็หมายความว่าปฏิเสธคุณพระบาทนั่คนนั้นได้ความหมายนั้นทุกเน้นถูกเสนอโดยพระารรมเจ้าเป็นอริยสัจเป็นความจริงเงินประเสริฐปฏิเสธหรือรับ ว่าสำคัญเท่ากนความจริงหรือว่าจริงเนียถ้าเป็นจริงแล้วเราปฏิเสธได้ยังไงครับหรือถ้ามันไม่มีเราจะไปล็ออะไรเข้าแตว่ามีข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าเฉพาะเพราะเข้าใจคลาดเคลือนตรงว่าคิดว่าความคิดต้องมุ่งกําจับความทุกข์จริงผิดพลาดครับทุกคนทีเป็นวัตที่ต้องการเป็นหนูรู้ตอนนั้นเองถ้าขืนมุ่งกำจับความ มทุกเนะื้นจะทุกอีกแบบเพิ่มขึมม้นมาแ่มเป็นอย่างเงี้ยียปฏิบัติตไม่มีหน้าที่ไม่มีกิจเล ย, เ, ลยเกี่ยวกับความทุกข์นอกจากรู้กาหนดรู้ว่าความทุกข์แล้วไอ้ิงเียีชาญาติเกิดจากการ้รู้ความทุกขนะ์เนี่ยมันรูวทุกข้ออะไรทุกวาระไหนนทุกชนิดไหนมันมั น, มนเกิดยาน นอกจกความเจ็บป่วยหรือการถนะัดแคลมสิ่งใดที่เป็นความสุขของเอเจ้าควรขั้นต้นเป็นความทุกข์ของกุฏิชนแล้วก็แต่ว่าสำหรับอระะหัสการหัสมันไม่เกี่ยวกับสุขทุกข์คือคนพ้นเจ็บแดนวอมทุกขเลยนะ ความทุกข์เรื่ความทุกข์บางชนนี้เช่นความทุกเกิดประการลิษยากันหรืออิจฉากันซึ่งตามฝ่ายกับทุกข์สิ่งที่เราจากการไม่ใช่ความทุกข์ครับความทุกข์เป็นผลบั้นท้ายของวิธีการอะไรถ้าเทพความทุกข์ผมเชื่อว่าคำถามนี้ ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดแบบคิดคิดเปิดคิดดูรับความสุขเต็มที่เลย